ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะที่เราจะมาพบกับท่านผู้ นะเป็นธรรมคําสอนของพุทธเจ้านั่นบ้างผ่านทางมันจะเกิดขึ้นในสิ่งต่างๆจริงๆแล้ว นะจิตเนี่ยนานานะถ้าจะพูดให้กว้างขวางออกไปเนี่ยมันก็ได้หลายอย่างไม่จบไปสิ้นนะเป็นโลกขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้มีความยึดถือมีตัณหาต่างๆนานาขึ้นมาเต็มไปหมดนะตามที่เราทราบๆ แล้วถ้ามันมีความไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยมันก็จะไป 3 อย่างนะปรุง นะปรุง 3 อย่างนี้เป็นดอกมาแนวจิตที่มีเป็นอาหารท่านผู้ฟังนะเป็นอาหารของจิตที่จะให้มันไปเอ่อเป็น นะรับรู้พอมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะไอ้ช่องทางที่มันจะไปรับ นะรูปคือทางๆนะถ้าคุณฟังมีกายมั้ยมืออังลมอังจมูกดูแล้วมันมี แล้วก็ยังมีอยู่อันนั้นก็คือลมแน่นอนนั่นก็คือใจแน่นอน รูปเสียงกินรถผล 12 อย่างนะเพราะว่า 12 อันทั้งหมดอย 6 ช่องทาง 12 ไอ้ช่องทางต่างๆเหล่า กลิ่นก็ตามที่มันช่องเข้ามาทางจมูกเสียง 3 อย่างนี้รวมกันก็จึงเรียกว่า นะจิตที่ถูกกระแทกทิ่มตามอย่างนี้ก็ นะเกิดสัมผัสที่ตัวเองไม่รู้เป็นอทุกขมสุขนะก็เป็นเป็นต้นนะมันก็มีสัมผัสอย 3 อย่างนี้เกิดขึ้นนะเค้าเรียกว่า นะจิตที่ยังไม่รู้อิหนออิเนยังมีอวิชชานะมันก็จะ 5 อย่างเนี้ยในความอยาก 2 ความอยากในทางไม่มีไม่เป็นความอยากใน น่ะเรียกว่า 3 นะคือบางทีคือเราอยากที่จะไม่แก่ไม่อยากได้อะไรเนี่ยก็ แต่เราเราก็ต้องเอ่อเวลาที่เรามีความอยากในจิตเนี่ยในถ้าจิตแต 5 แหละนะมันอยู่กับ 5 มันติดอยู่กับขันธ์ทั้ง 5 นะสิ่งที่ให้มันติดจิตนั้นก็ถือมีอุปทานเกิดขึ้นที่จิต แนวปัจจิตมันมีสถานที่แบบนี้มีพบมีที่ที่ให้จิตเป็นอยู่อาศัยแล้วเนี่ยเอ่อมันก็จึง เพราะความอะไรเพราะความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่หมายความว่าอย่างสมมุติ มันจะปล่อยวางเออไม่ทําอะไรหรอกเอ้ยเป็นปล่อยวางเปียกก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้เราก็ต้องไปเก็บผ้านั้นแต่จิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งตามไม่ต้องไปด่าฟ้า นะพื้นเปียกก็ปล่อยวางซะไม่ต้องสนใจอย่างงั้นไม่ถูกไม่ได้ นะวิชาดับไปมีความรู้เกิดขึ้นแล้ววิชานั้นคือความรู้ที่ว่าฉันไม่ต้อง แล้วพอจิตไม่ต้องมีมีการรับรู้ 6 <น>เหล่านี้ก็ไม่เกิดเจ้าความรับรู้ต่าง นะมันก็จึงไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตของเราในจิตของเราก็เป็นจิตที่เฉยๆอยู่ไม่ต้องไปรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้ นะจิตนั้นก็ไม่มีความอยากนะที่จะต้องไปอยากยังไงล่ะมันก็ไม่มีปัญหากับใครเลยแล้วมันก็สบายอยู่ในจิตของเรานะไม่มีอุปทานไม่มีพรไม่มีการเกิดแก่ความตายความโศกความ เราไม่ต้องปรุงแต่งตามสิ่งที่มากระทบก็ได้นะไอ้การเนี่ยคุณ เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงของมันจริงๆน่ะถ้าเห็นมันจริงๆอย่างนั้นน่ะเราจะรู้ได้ว่าเราไม่ต้องบรุงแต่งก็ได้งั้นฉันทํายังไงเราเห็นจริงๆอ่ะฉันไม่เห็นเห็นเลยฉันก็ยังไปบรุงแต่งต่อเนื่องตามสิ่งที่มากระทบนั่นนี่โน่น ไม่มีกำลังใจไม่มีการกล้ายามรับว่าจริงๆมันเป็นยังไงถ้าคุณไม่ๆน่ะมันเป็นยังไง สติมีสมาธิมีปัญญามันตรงนี้ฉันทําให้เราเห็นความจริงตรง ถ้ามีส่งคําถามสงสัยได้เขียนกันมาในที่เบียว 106 ได้รับคําถามแล้วก็จะ